ธรมบทแปลเรื่องที่99เรื่องภิกษุไม่ถนอมบริขารภาคที่หเรื่องที่หของวรที่9ป้าปวัควันานาข้อความเบื้องต้นประศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบภิกษุรูปหนึ่งผู้ไม่ถนอมบริขารตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ามาวามันเยธา ่าภาษาเป็นต้นตอนของสงใช้แล้วควรรีบเก็บได้ยินว่าภิกษุนั้นใช้สอยบริขารอันต่างด้วยเตียงและต่างเป็นต้นยังได้อย่างหนึ่งในภายนอกแล้วทิ้งไว้ในที่นั้นนั่นเองบริขารย่อมเสียหายไปเพราะฝนบ้างเพราะแดดบ้างพวกสัตว์มีปลวกเป็นต้นบ้าง ภิกษุนั้นเมื่อพวกภิกษุกล่าวเตือนว่าผู้มีอายุธรรมดาบริขารภิกษุควรเก็บงําไม่ใช่หรือกลับกล่าวว่ากรรมที่ผมทํานั่นนิดหน่อยผู้มีอายุบริขาร น, นั่นไม่มีจิตความวิจิตก็ไม่มีดังนี้แล้วยังขืนทําอยู่อย่างนั้นนั่ น, น, นแลอีกภิกษุทั้งหลาย กราบทูลกิริยาของเธอแด่พระสัสดาพระสัสดารับสั่งให้เรียกภิกษุนั้นมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุข่าวว่าเธอทำอย่างนั้นจริงหรือแม้เธอถูกพระสัสดาตรัสถามแล้วก็กราบทูลอย่างดูหมิ่นอย่างนั้นนั่นแหละว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนั้นจะเป็นอะไร ข้าพระองค์ทํากรรมเล็กน้อยบริขารนั้นไม่มีจิตความวิจิตก็ไม่มีตอนยาดูหมิ่นกรรมชั่วว่านิดหน่อยทีนั้นพระศาสดาตรัสกับเธอว่าอันภิกษุทั้งหลายทําอย่างนั้นย่อมไม่ควรขึ้นชื่อว่าบาปกรรมใครๆไม่ควรดูหมิ่นว่านิดหน่อยเหมือนอย่างว่า ภาชนะที่เขาเปิดปากตั้งไว้กลางแจง้งเมื่อฝนตกอยู่ไม่เต็มได้ด้วยหยาดน้ำหยาดเดียวโดยแท้ถึงกระนั้นเมื่อฝนตกอยู่บ่อยๆภาชนะนั้นย่อมเต็มได้แน่ๆฉันใดภิกษุผู้ทําบาป ก, กรรมอยู่ย่อมทํากองบาปให้ใหญ่โตขึ้นโดยลำดับได้อย่างแนๆ่ๆฉันนั้นเหมือนกันดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่ามาวามันเยธะป้าปัสะณะมัตตังอากมิสติอุดะบินุนิปะเตนะอุดะกุมโพปิปุรติปุรติบาโลป้าปัสะโทกังโทกังปิอาจินันติ บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่าบาปมีประมาณน้อยจักไม่มาถึงแม่หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงทีละหยาดได้ฉันใดชนผ่านเมื่อสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยละน้อยย่อมเต็มด้วยบาปได้ฉะ น, นั้นแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ามาว่ามันเยถะความว่าบุคคลไม่ควรดูหมิน่น บทว่าป้าปัสสะแปลว่าซึ่งบาปบาปพระกาถาว่านามัตตังอาภมิสติความว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปอย่างนี้ว่าเราทำบาปมีประมาณน้อยเมื่อไรบาปนั่นจกผลิตผลบทว่าอุดกุมโพปิความว่าภาชนะดินชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เขาเปิดปากทิ้งไว้ในเมื่อฝนตกอยู่ย่อมเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงแม้ทีละหยาดทีละหยา ด, ยาดโดยลําดับได้ฉันใดบุคคลเขาเมื่อสังสมคือเมื่อพอกภูลบากแม้ทีละน้อยละน้อยย่อมเต็มด้วยบากได้ฉันนั้นเหมือนกันในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วแม้พระสัสดาก็ทรงมัญญิศีขาบทไว้ว่าภิกษุลาที่นอนของสงฆ์ไว้ในที่แจ้งแล้วไม่เก็บไว้ตามเดิมต้องอาบัตชื่อนี้ดังนี้แลเรื่องภิกษุไม่ถนอมบริขาร